บทที7เจสุกต้เร็วต้องการอยากเฟคุณอยากทำอะไร คุณอยากเล่นฟุตบอลไหมฟุตบอลชอโนซูฟียฟุตบอลูชอโนซูฟียคุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหมสวินบเ์จจาเยอ์ีกวินับเยลค์รเจจว่าีว ต้องการอยากฟยินยุยหนฟยินยุยหวนดิฉันไม่อยากมาสายจาสุสกัควยิุยหุบจัสุกัวยิุยหวบดิฉันไม่อยากไปที่นั่นอชสกวนโนสุไฟบอช สควโนสไฟบดิฉันต้องการกลับบ้านที่ัมควจิ ย, ยัมควจิยดิฉันต้องการอยู่บ้านทัมีน ย, ยนัมีน ย, ยดิฉันต้องการอยู่คนเดียว ซิซาสควานสายซิซาุสควานสายวยคุณอยากอยู่ที่นี่ไหมมิชูานบยวมิชูานบยวคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมมิชวชิชยวมิชวชิชคับสยว คุณอยากนอนที่นี่ไหมมิชวูชอเยัวมิชวูชอเยัวคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะเนวชฟเจจเยัวเนวชฟเจจเยัวคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ เนื้ชนึสส่งุานชวเนชนุานชวคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะชอตรเนื้ชื่อขัมช่วยวะชอตรเนมชมชวคุณอยากไปดิสโก้ไหม ดิสกเกคัมชุวนชฟายดิสกเกทคัมชุกอวนชฟายคุณอยากไปดูหนังไหมคโนมชุกวนชูฟายคโนมชุกอวนชฟายคุณอยากไปร้านกาแฟไหมคาเฟ่ชุกอวนชฟายคาเฟ่ชุกอวนชฟาย